มีคนมาปรึกษาปรึกษาว่าเพื่อนของเขาคนหนึ่งตั้งครรภ์แล้วก็หมอตรวจเด็กในครรภก็พบว่าเด็กเนี่ยหัวใจพิการถ้าหากคลอดออกมาก็อาจจะตายหรือไม่ก็พิการหรือไม่ก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องหมอก็เลยแนะนําให้ แม่เนี่ยเอาเด็กออกแม่ก็มาปรึกษาเธอคนนี้นะที่มาเขียนจดห ม, ม, มาย mm hmm. มาถาวรมาเธอก็เห็นใจทั้งแม่ทั้งลูกแต่ก็คิดว่าคำแนะนำของเรองนี้ก็ดีที่สุดแล้ว mm hmm. ก็เลยแนะนำเพื่อนให้เอาเด็กอก ก็ผ่านมาหลายปีก็ยังมีความไม่สบายใจไปถามอุตมาว่าแนะนําขึ้นแบบนั้นนี่มันบาปเหมือนกับแนะนําคนให้ทําแท้งหรือเปล่าการเอาเด็กออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดมันก็คือการทําแท้งนั่นแหละนะแม้ว่าจะเป็นการทําเพื่อเพราะว่าเด็กเขาคิดการ หรือว่าไม่สมประกอบก็ตา ม, มก็คือการทำแท้งอย่างหนึ่งเังนั้การแนะนำเพื่อนให้ให้เอาเด็กออกนี่ก็ก็ได้บาปนะพอาพอการแนะนำให้เพื่อนทำแท้งด้วยเหตุผลอื่นอันนี้ก็เดีย๋ยวนี้เป็นปัญหาที่ ขาใจคนจำนวนมากที่จริงเนี่ยถ้าถ้าเขามาถามอาตมาก่อนที่จะให้ทำแนะนำเพื่อนไปอาตมาก็จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมยังมีหลายคนเลยที่เขาก็มีปัญหาเหมือนกับแม่คนนี้นะ ล้มในท้องงอไม่สมประกอบหัวใจไม่ดีแต่ว่าเขาก็เจ็ดลูกเอาไว้จนทั้งครอดออกมาครอดออกมาก็เป็นอย่างที่หมอบอกนะคือว่าเราก็ต้องรักษาอย่างต่อเ น, นื่องแม่บางคนก็เรียกว่าลำบากนะก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าไหร่นะแต่ว่าก็กัดฟัน อยังมีคนหนึ่งนี่ต้องอ่ลูกเขาต้องผ่ากันถึงสามครั้งคนที่เป็นแม่ก็สงสารแต่เขาก็เตรียมใจไว้แล้วว่าเมื่อออกมาก็ต้องเป็นอย่างนี้เขาก็ถือว่าอามันก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาแห่ะขึ้นอยู่กับกรรมอันนี้นก็ไม่ได้ไหมายความปล่อยปละละเลยนะไม่เหมือนกับตัวอย่างเมื่อเช้าที่พูดนะว่า น้องชายเป็นมะเร็งก็ปล่อยให้เขารับกรรมเข้าไปนะฉันไม่ช่วยแต่แม่นนี้เขาก็มองว่าก็เป็นกรรมของเขานะัที่เขาเกิดมาผิดการแต่ว่าแม่ก็จะช่วยก็คือหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะเป็นค่ารักษาพยาบาลยาผ่นะาตัหดหัวใจมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะแต่เขาก็ดิน้นรนนะ หาเงินมาเพื่อค่ารักษาพยาบาลค่าผ่าตัดแล้วก็ดูแลลูกผัวก็ทิ้งนะแต่ว่าเขาก็ดูแลจนกระทั่งผ่านมาสิบปีแล้วเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีใจที่เขาตัดสินไม่ผิดตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่าเด็กโตขึ้นก็ก็ดูแข็งแรงนะอายุสิบขวบก็น่ารักอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าก็ ในเรื่องความสามารถสติปัญญา ก, ก็ไม่ได้ต้อยกว่าคนอื่นเลยเด็กน่าแ ล, แล้วก็เป็นที่รักของของแม่แล้วก็ของย่าแล้วก็ของคนที่รู้จักอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของคนที่เขาอมองว่าถึงแม้เด็กพิ ก, การเนี่ยเด็กพิการในท้องเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ควรมีชีวิตอยู่ การที่เขาได้คลอดออกมาก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้ได้เยียวยารักษาแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสพบสิ่งดีๆแล้วก็ทำสิ่งดีๆเหมือนกับมนุษย์คนอื่นการเกิดมันมเป็นมนุษย์นี้เป็นเรื่องยากนะทูจ้านะ่ตัดว่ายากพอๆกับการที่เต่าตาบอดจะโผล่ขึ้นมาตรงผิวสมุทรผิวทะเล แล้วก็โผล่มาตรงกลางแอกที่มีห่วงหรือที่มีชี่ว่างตรงกลางหมาสมุนกว้างใหญ่และแอกก็ลอย่ออยู่กลางทะเลแล้วจู่ๆก็มีเต่าตามหอดโผล่ขึ้นมาตรงกลางพอดีโอกาสที่จะเกิดเหตุแบบนี้นี่ยากมากให้การเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากมขกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าอยู่ในท้องแล้วก็ ก็น่าจะพยายามช่วยให้เขาได้เกิดมาคลอดออกมาอย่าไปคิดว่าคนพิการหรือเด็กพิการนี่เป็นคนไร้สมรรถภาพเขาสามารถจะทำอะไรเหมือนคนปกติได้แล้วก็สามารถจะมีความสุขได้ไม่น้อยไปกว่าคนปกติที่ประเทศญี่ปุ่นนี่มี มีผู้ชายคนหนึ่ลอมาเนี่ยมีแต่หัวกับตัวไม่มีแขนไม่มีขาเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเมื่อเขาโตขึ้นื่อว่าไม่พรบห้าไม่พรบห้าคือมีแต่ขาไม่มีแต่หัวแต่ไม่มีแขนไม่มีขาแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขนะคนหนึ่งเขาเขียนประโยชน์ึงว่าผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุทุกวัน เป็นคนที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอาจจะมีความสูงมากกว่าคนที่มีอ ว, วัยวะครบสาด้วยซ้ำแล้วเขาก็เรียนจบปริญญาตรีนะไปเป็นครูไปเป็นนักข่าวแล้วเขาก็ช่วยตัวเองทุกอย่างเกิดด้ ว, วทุกอย่างกินข้าวเองได้ใส่เสื้อผ้าให้กับตัวเองก็ได้เขียนหนังสือก็ได้เล่นบาสเกตบอลยังเล่นได้ เขาถ่ายรูไปไว้ตอนที่แกยังเป็นเด็กเล่นบาสเกตบอลที่อเมริกาก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนิคนิคบูสิกก็คล้ายๆกับโปโตคะเจที่ชาญี่ปุ่นคนเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยคือเกิดมาเนี่ยก็จะมีแต่หัวกับตัวไม่มีแขนไม่มีขาแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ทำอะไรเรื่องเยอะแยะแล้วก็สามารถจะสร้างแรงประดานใจให้กับ นักเรียนให้กับคนทั่วไปได้มีในยู u ูบเนี่ยมีวิดีโอเกี่ยวกับตัวเขาเยอะเลยนะเขาไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนท้อแท้หมดหวังเพราะว่ายากจนเด็กบางคนเรียนไม่ดีก็ท้อแท้ไม่อยากมีชีวิตอยู่เด็กบางคนเป็นสิวนะหน้าตาไม่สวยอ้วนก็ท้อแท้ ในที่มีแบบนี้เยอะนาที่ฆ่าตัวตายก็เยอะแต่วันนี้เนี่ยเขามาเป็นแรงบันดาลใจให้คนเหล่านี้ได้เห็นว่าขนาดเขาพิกการเนี่ยแต่เขาก็สามารถจะอยู่ในโลกได้มีความสุขทั้งที่ททเขาขาดอะไรต้องหลายอย่างแต่สิ่งที่สิ่ทีเขาไม่ได้ขาดคือหัวใจหัวใจแล้วก็สติกัญญาเขาเหมือนคนอื่นแล้วก็สามารถจะทําอะไรด้วยความสุขและด้วยความเข้มแข็งได้ นี <ropolis> <c oughs> ่เลยไปคิดว่าพอถ้าลูกอิการแล้วนี่ลูกจะจะหมดอนาคตนะอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เราเห็นนะคนที่การหลายคนเขาก็สามารถจะทำอะไรที่คนธรรมดาทำได้หรือทำได้ยากบางคนก็เป็นศิลปินวาดภาพด้วยโดยใช้พูกันเนี่ยโดยโดยใช้ปากเนี่ยจับพู่กัน แล้วเขาก็ว่าได้สวยเป็นสียปินชื่อดังนะบางคนก็สามารถที่จ ะ, ะแต่งเพลงมีนักยาศาสตร์คนหนึ่งมีชื่อมากนะเขาเรียกว่าฉลาดลองๆจากนิวตันแล้วก็ไอน์สไตน์เขาชื่อสตีเฟนฮอวกิงตอนนี้ก็อายุเกือบเจ็ดสิบแล้ว เขาเนี้เป็นโรคที่ที่ทพิเศษคือว่าทําให้กล้ามเนื้อมันไม่ทํางานเขาเป็นมาตั้งแต่อายุยี่สิเขาไม่สามารถจะกินข้าวเองได้เขาไม่สามารถจะเดินได้เขาพูดไม่ได้เขาก็บพิษตาก็ยังลําบากแต่เขาเขียนหนังสือเขาเขียนหนังสือที่ขายดีมากเกี่ยววิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ระดับสูงนะ ชื่อว่าประวัติศาสตร์ยออของการละเวลาพิมมา20ปีแล้วก็ยังมีคนซื้อคนอ่านปัจจุบันพิมมา10กว่าล้านเล่มแล้วเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก <Yeah. S 1> เป็นคนที่อธิบายเรื่องปรากฏการณ์ที่ชื่อว่า Big b แ n g Big Bang คือว่าการเกิดจั ก, กรวาลว่าจั ก, กรวาล น, นี้มัน มาเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆที่เราพินทุซิงคุลาลิตี้ ity, แล้วมันก็ระเบิดออกมาเรียกว่ามหากรมปัน้าบิ๊กแบงนี่แปลว่ามหากรมปัญญาก็ได้แล้วเกิดจากกวางขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อหนึ่งื่นสามันห้าร้อยล้านปีที่แล้วขนาดคนพิการนะเปิดหนังสือ อ, าอ่านยังลำบากเลยนะแต่ว่าสามารถจะคิดคน้นทฤษฎีนี้ซึ่งบาที่ยอมรับ แล้วก็เขียนหนังสือโดยที่ใช้ใช้นิ้วเนี่ยแตะบุมสัมผัสแล้วก็ เ, เป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งยังใครแม่แม่คนไหนที่คิดว่าเนี่ยท่านรูกตัวเองทิศการแล้วเกิดมานี่แย่อย่า ก, กันนั้นเลยนะเอาก็ออกมาตั้งแต่เขายัางเป็นเป็นตัวอ่อนดีกว่าหรือว่ายัางเป็นยังอายุแค่3ามสี่เดือนอยากก่าไปคิดแบบนั้น อยเอาเราเป็นตัวเป็นตัวเป็นศูนย์กลางอนมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถพิเศษหลายอย่างแม้จะตาบอดหูหนวกนะแม้จะไม่มีแขนไม่มีขาแม้จะพิการหรือแม้แต่จะเป็นมะเร็งเขาก็ยังสามารถที่จะมีความสุขแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีงามต่างๆได้สามารถจะเป็นแรงบันดาลใจได้ มีคนตรงเนี้ยนะเป็นคนหลังนะขาก็นิดเดียวนะอันนี้พิการเหมือนกันมือก็นิดเดียวนะแต่ว่าเป็นนักเล่นเหมือั่ำเขาเคยมาที่เมืองไทยมากรุงเทพแล้วก็มาปั้มแบบคนที่คิดว่าจะโค่นเขาได้ตอกกลักว่าโค่นไม่ได้สักคนเลยไม่รู้ทํำยังไงนะเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากหน้าที่ ไม่มีไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีขาก็มีแต่มันเล็กมากเขาเขียนหนังสือเรื่องนึงชื่อว่า no excuse แปลว่าไม่มีข้อแก้ตัวหมายความว่าแม้แมคนพิการอย่งเขานี่ก็ยังสามารถจะเล่นมวยปั้มโคนคนธรรมดาได้และเราคนปกตินี่เราไม่มีไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวแล้วฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ เราวม่กีอ้าวแบบนี้ว่าทาไม่ได้ทำไม่ได้นะแต่ว่าเขาบอกเนี่ยขนาดเข้าพิการก็ยังทำได้เลยแล้วพวกคุณคนธรรมดาคนปกติทำไมจริงแต่ทำไม่ได้ไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวอันนี้ก็ก็เป็นเป็นแง่คิดนะสำหรับคนที่มีปัญหาเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะมีคนที่กั ง, งวลเรื่องนี้เยอะ อันนี้ผู้หญิง็นนี้ยังปรึกษาต่อไปว่าเนี่ยแล้วเขาเนื่องจากเขาไม่สบายใจที่ให้ทำแนะนำเพื่อนให้เอาลูกออกทุกวันนี้เขายัางไม่สบายใจแล้วก็ถามว่าจะจะทำอย่างไรดีนะ่าจะขอโอหสศิ ก, กรรมเด็กในท้องนั้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องการวางใจด้วยคือคนรอคนเรานี่เมื่อผิดพลาดไปแล้วถ้าเรายัง ยังมัวแต่หมกบุ้นคุ้นคิดกับความผิดพลาดนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้ทำกรรมนั้นซ้ำอีกเวลาเรานึกถึงกรรมที่ผิดพลาดไปหรือบาปกรรมที่ได้เคยทำไว้เนี่ยแล้วเรานึกมันเหมือนกับว่าเราได้ทำอีกครั้งหนึ่งนะแม้ว่ามันจะเป็นแค่โนกกรรมหรือว่าเบาบางกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสมนึกเกียดีแล้วนะแต่ว่าก็อย่าไป มกบุนอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าถือเป็นบทเรียนว่าเราจะไม่ทำอีกอย่าให้กรรมในอดีตนี่มันมันพันธนาการเราเอาไว้ส่วนเรื่องการที่จะทำอะไรกับเด็กที่แนะนำให้ออกออกไปนั้นเนี่ยก็เราก็ทำบุญให้เขาถวายสังฆทาน อุทิศสมุดสมไปให้เขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดถ้าเขาไปเกิดแล้วนะก็แล้วไปแต่ถ้าเขายังไม่ได้เกิดก็หรื อ, อยังอยู่ในภพภูมิที่ควรจะการรับรับบุญนั้นได้เราก็แผ่ไปให้แล้วก็รู้ว่าเนี่ยก็ต้องทำใจด้วยว่าสิ่งที่เราแนะนาไปทาไปเนี่ยมันมันเป็นบาปเพราะฉะนั้นก็ต้องเกลียดใจเปลี่ยนใจยใจว่า ยอมรับกรรมที่เราได้ทำเอาไว้เมื่อเราพร้อมที่จะยอมรับกรรมที่เราได้ทำเอาไว้มันก็ทำให้เร า, าหลุดจากความรู้สึกผิดไปได้แล้วก็พยายามทำความดียิ่งยิขึ้นไปอ่าแล้วก็เตรียมรับพอ